FM 89.5 m ม z นะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวของปัญหาวิกฤตภัยแรงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะถึงแม้ว่าในบางวันกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าในต่างจังหวัดนั้นก็มีฝนทิ้งช่วงหรือที่เราเรียกกันว่าฝนแรงนั่นเองค่ะจึงทำให้บางท้องที่เนี่ยนะคะพอปลูกพืชผลไม่ได้เลยค่ะ แต่ล่าสุดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปริมาณฝนช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนในปีนี้ว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนค่ะพร้อมทางระบุด้วยนะคะว่าเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนฝนจะตกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในบางวันค่ะและคาดการ์อีกนะคะว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน1 2ถึงลูกด้วยกันค่ะและมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนและภายในเดือนตุลาคมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็จะลดลงอากาศก็จะหนาวเย็นในตอนเช้านะคะ สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งค่ะก็เป็นเรื่องราวของฝนนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดออกนอกบ้านนะคะก็พกล่มไปด้วยนะคะก็จะเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะไม่งั้นแล้วนะคะก็อาจจะทำให้ไม่สบายได้ง่ายๆค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองค่ะ หนา chăng, หนา chăng, chăng หนา t r i อยากม e คนผิ n ไฟไกลไกลกันมีผู้คน m ัรกันครคนน ใใอยากมีใครสักคนเคียงข้างในคืนเน็บหนาแต่ที่ไหลเบาเบาให้พออุ่นใจไม่ต้องมีคำพูดสักคำแค่กอด จ้า ค, ค, ขขคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงแรกเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของปริมาณฝนนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนนี้ค่ะ และในช่วงนี้ก็เป็นวันที่30กรกฎาคมแล้วนะคะคาดว่าในเดือนหน้าจนถึงเดือนถัดไปนะคะปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้วยกันนะคะตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ฉันได้นำมาเสนอคุณผู้ฟังนะคะ ทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้มีการเตือนเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ป่วยง่ายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวด้วยค่ะดังนั้นจึงต้องระวังในเรื่องของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส I S V ซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย ได้บอกว่ากลมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังสถานการณ์การป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส ISV ในประเทศไทยค่ะพบว่าในช่วงนี้ก็เริ่มมีรายงานผู้ป่วยปรับปรายและต่อเนื่องขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กนะคะและในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรายงานพบผู้ป่วยในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็คาดการนะคะว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสไ s v ซึ่งจะเป็นโรคที่พบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวและก็จะพบในทุกช่วงอายุ แต่ว่าอาการเนี่ยจะไปรุนแรงในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกําหนดและผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจนี้นะคะก็จะติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชือ้อไม่ว่าจะเป็นน้ามูกน้ำลายนะคะก็สามารถที่จะ ติดเชื้อได้ถ้าเราไปสัมผัสเชื้อนั้นโดยตรงซึ่งนะคะเชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตาจมูกปากผู้ป่วยก็จะแสดงอาการหลังติดเชื้อประมาณ 4-6 วันค่ะโดยจะมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอในบางรายที่มีอาการรุนแรงก็จะมีการหายใจเร็วหอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบกินอาหารได้น้อยลงซึมลงและอาจเสียชีวิตได้นะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยการล้างมือให้สะอาด ล, ล้างบ่อยๆด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะรับประทานอาหารแล้วก็เข้าห้องน้ำหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องล้างมือนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ติดเชือ้อเช่นผู้ที่เป็นหวัดเป็นโรคปอดอักเสบก็ไม่ควรนาเด็กเล็กๆไปอยู่ในที่ที่มีคนแออัดนะคะไม่ใช้แก้วน้าร่วมกันแล้วก็ควรปิดปากปิดจมูก เมื่อไอหรือจามนะคะหากว่ามีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวให้หายและถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะนี่ก็เป็นคําเตือนจากอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกับข่าวต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ สาวกำนันยืนยันด้วยชีวิตแกรปติตดบดงพอตาไม่รักนักดนตรีอยากมีเศษที่มาแต่งลูกสาวไฟป้องดอกฟ้าละวัน ก่อนได้หรือล่าเงินทองในบัญชี อัน ฉันจะรออยากเพียงขอขอตาให้ช่วยฉันที่ฝากใจตรงนี้เอาไว้ให้เพียงลูกสาวกำนัน ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวต่างประเทศที่ดิฉันบอกว่าน่าสนใจนะคะก็คงจะต้องเป็นอุทาหรณ์หรือความระมัดระวังนะคะในการที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติในบ้านเรานะคะอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเราก็มักจะพบว่าเมื่อเราเจอสัตว์นะคะอย่างเช่นสัตว์ใหญ่คือช้างเนี่ยนะคะหากว่าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาก็อาจจะทําร้ายเราได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปโทษศัต ได้นะคะแต่หากว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสถานที่ที่เขาอยู่มาก่อนแล้วนี่นะคะถ้าหากว่ามนุษย์เข้าไปท่องเที่ยวนี้แล้วก็ทำเสียงดังนะคะหรือว่าก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมานี้นะคะสัตว์ที่เขาเคยอยู่โดย สงบของเขาในพื้นที่ของเขาเนี่นะคะเขาก็อาจจะมีความหงุดหงิดลําคันใจนะคะที่เยลโลสโตนซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันนะคะที่นั่นก็จะมีควายไบซนที่เยอะมากๆเลยนะคะเป็นจำนวนมากมายแล้วก็หลายสถานที่ท่องเที่ยวด้วยกันในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีสิ่งที่ นักท่องเที่ยวชอบไปเยือนนะคะอย่างเช่นโอเฟสฟูเกเซอร์ซึ่งเป็นน้ําพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเยนโลสโตนค่ะเมื่อควายใบยสั้นนะคะเข า, าเล็มหญ้าอยู่ใกล้ๆนั้นนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเดินกันอย่างขวักไข่นะคะจึงทําให้เขาเนี่ยวิ่งเข้าหาฝูงชนนะคะและในขณะที่ทุทกคนวิ่งหนีอย่างกระเจิดกระเจิงนั้น เจ้าควายไบซันก็ได้โดดควิดนะคะเด็กน้อยอายุเก้าขวบนะคะซึ่งหนีไม่ทันนะคะทําให้เด็กน้อยนั้นนะคะอ่าโดนโดนควายไบซันควิดนะคะแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะคะคือโชคดีมากๆแล้วภายหลังนะคะก็ได้รับการปรมพยาบาลที่สถานพยาบาลในอุทยานนะคะซึ่งนะคะ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติก็บอกว่าคว า, ายใบสันคงรู้สึกหงุดหงิดกับผู้คนแล้วก็เสียงจอแจนะคะจึงพุ่งเข้าหาฝูงชนนั้นนะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติก็ได้ออกแถลงการหลังจากเกิดเหตุนะคะว่ามีคนอยู่เกือบห0คนนะคะาสิบถึงหกสิบคนอยู่ในบริเวณนานแล้วก็ยืนห่างจากเจ้าใบาสันเนี่ย ไม่ถึง10ฟุตรหรือว่าราวสามเมตรด้วยกันทั้งๆ ท, ที่เจ้าหน้าที่อุทยานได้เตือนแล้วนะคะว่าผู้ที่มาเยือนเนี่ยควรจะอยู่ห่างจากสัตว์ป่าอย่างน้อย25ฟุตรหรือราวเจ็เมตรครึง่งนอกจากนี้นะคะก็ยังเตือนว่าโดยธรรมชาติแล้วใบสันเนี่ยสามารถวิ่งได้ไวกว่ามนุษย์ถึง3เท่าด้วยกันก็มีคาเตือนแล้วนะคะแต่ก็ยังฝ่าฝืนกันอยู่นะคะจึงเกิด มีกรณีบาดเจ็บขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วนะคะใบสั้นก็ได้ควิดมาแล้วสองรายนะคะซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้นะคะก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนมากที่สุดนะคะจำนวนปีหนึ่งนะคะก็เกือบสี่ล้านคนนะคะส่วนใหญ่ก็จะนิยมนะคะไปท่องเที่ยวตามน้พุร้อนต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเจ้าควายใบสั้นนะคะแบบ หากินนะคะเลมย่าอยู่นะคะซึ่งหากว่าเขามีคําเตือนติดเอาไว้นะคะเราก็ต้องควรอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสถานที่สําหรับมนุษย์นะคะมันเป็นสถานที่ที่สัตว์เนี่ยเขาอยู่กันมาก่อนดังนั้นเนี่ยเราเราก็ต้อง การความสงบพอสมควรนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาแตกตื่นนะคะอันนี้ก็ต้องรวมไปถึงวุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่บ้านเราด้วยเช่นกันถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เขามีประกาศนะคะหรือมีคําเตือนใดๆเนี่ยเราที่เป็นนักท่องเที่ยวนะเข้าไปท่องเที่ยวเราก็ต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีเทคโนโลยีนะคะที่มากับมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะส่งผ่านไปให้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงดูกันไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า i n s t a g r กรนะคะหรือแม้แต่นะคะ เรื่องของลายก็ตามนี้นะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีคือได้เผยแพร่นะคะความงดงามของแหล่งธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นนะคะให้คนได้ทราบกันได้รู้จักกันนะคะแต่ข้อเสียก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นก็ถูกหมายตาละคะ่ะว่าต่อไปนะคะจะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องไปเช็คอินนะคะหรือว่าจะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องไปท่องเที่ยว ครั้งต่อไปนะคะจึงทำให้หลายๆประเทศนะคะไม่ค่อยพอใจนะคะกับเว็บไซต์หรือว่ า, อาแอปหรือว่ า, อ, าอินสตาแกร m เหล่านั้นนะคะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะถูกคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวและบางครั้งเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวนี่ไม่เชื่อฟังนะคะหรือว่าฝ่าฝืนคำคำบอกเล่าคำเตือนของเจ้าหน้าที่นี่นะค่ะก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยว แห่งนั้นนิทคะสกระปรกนะคะแล้วก็เสียบรรยากาศของธรรมชาติที่มีอยู่ไปน ะ, ะอย่างน่าเสียดายเลยค่ะที่ประเทศไอซ์แลนด์ก็เช่นกันนะคะตอนนี้ไอซ์แลนด์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่คนมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวไม่เว้นแม้แต่นักท่องเที่ยวคนไทยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไปดูธรรมชาติที่สวยงามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงเหนือ คนที่นั่นนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวคนะส่วนใหญ่ก็จะนิยมขับรถเช่าออกนอกเส้นทางจนทำให้รถเนี่ยไปติดหล่มจึงต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดลงไปในเพจ a c e บุ๊ k ของตำรวจไอซ์แลนด์ห้ามไม่ให้คนขับรถออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะสร้างความเสียหายต่อธรรมชาติและสัตว์ป่า ประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะในที่ท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติที่เพิ่งจะได้รับ การคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกนะคะเร็วๆนี้ล่าสุดเมื่อประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองค่ะจึงทำให้นะคะคนไอซ์แลนด์เนี่ยเห็นพฤติกรรมแย่ๆของนักท่องเที่ยวน ะ, ะผ่านทาง Facebook หรือว่า i n s t a g r กรไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าหรือว่าการขับรถไปนั่งบนทานน้ำแข็งหรือว่าเดินย่ามไปบนพื้นมอสซึ่งเป็นเขตที่ห่วงห้ามเอาไว้นะคะ และการที่จะทำให้ได้รูปมาดีที่สุดนั้นเขาก็จะไม่ค่อยสนใจนะคะในเรื่องราวเหล่านี้ค่ะจึงทำให้นะคะชาวไอซ์แลนด์เนี่ยเริ่มที่จะไม่พอใจนะคะนักท่องเที่ยวนะคะได้ายรายนะคะดังนั้นจึง เกิดมีโครงการรณรงค์ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความรับผิดชอบแล้วก็มีวิดีโอเตือนให้นักท่องเที่ยวเข้าใจว่าพืชมอสของไอซ์แลนด์นั้นสำคัญอย่างไรและทำไมถึงไม่ให้ขับรถออกนอกเส้นทางในนอกจากนี้นะคะก็จะมีการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเซ็นสัญญาที่สนามบินด้วยนะคะว่าจะไม่เข้าไปยุ่งหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมจะไม่ปัสสาวะตามพื้นที่ในชนบทพืชมอส ในไอซ์แลนด์เนื่องจากว่ามีความบอบางเป็นพิเศษสามารถตายได้หากว่าถูกยม่มและพืชชนิดนี้นะคะพืชมอสนี้สำคัญตรงที่ว่าจะไม่ให้เกิดการกัดเซาะของดินเขาช่วยอุ้มน้ำและรักษาความชุ่มชืน้นอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์หลากชนิดด้วยถ้าหากว่านักท่องเที่ยวขับรถออกนอกเส้นทางแล้วไปเหยียบย่าธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชมอสนี้นะคะก็จะทาให้ พื้นมอสนี้นะคะต้องมีการฟื้นฟูสภาพของตัวเองเนี่ยใช้เวลาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยก็อยู่ในเขตหนาวด้วยนะคะเขาจะมีในช่วงฤดูร้อนแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะก็อาจจะเติบโตไม่ทันค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะธรรมชาติที่สวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไอซ์แลนด์นี้นะคะก็จะมีชาวไอซ์แลนด์และชาวนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ น, นะคะก็ได้ออกมาเตือนกันนะคะในอินสตาแกรหรือว่าในเฟซบุ o กนะคะถึงนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมนะคะที่แย่ๆนะคะทําพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่คนคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าจะทําได้นะคะอย่างเช่นการปินรัว้วหรือว่าการไปยืนลินหน้าผาเพื่อ ถ่ายเซลฟี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากๆเลยนะคะจนทำให้คนที่น่านคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเขาไม่อยากจะให้แบบ นักท่องเที่ยวหรือว่าใครก็ตามที่ไปเที่ยวแล้วถ่ายลงอินสตาแกรมเลยค่ะเพราะว่าไม่อย่างงั้นแล้วนะคะก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวนะคะอย่างสถานที่บ้านคาวอีกไม่มากนะคะหากว่ามีภาพที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพียงภาพเดียวค่ะคุณนุ่ฟังค่ะมันก็จะส่งผลกระทยไปทั้งบริเวณใช่ไหมคะทําให้แบบว่า เขาก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็นะคะถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับสถานที่นะคะเพราะว่าบ้านข่านะคะเป็นบ้านที่รักธรรมชาตินะคะแล้วก็รักชีวิตกลางแจ้งเผื่อว่าไปเจอเรื่องแบบนี้เข้านะคะเขาก็อาจจะอ่า มีมุมมองที่ไม่ค่อยดีกับนักท่องเที่ยวนะคะดังนั้นหากว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะเราก็ต้องเคารพกฎนะคะของธรรมชาติที่นั่นแล้วก็คํานึงถึงด้วยนะคะว่าเราควรจะต้องรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้ น, เ, นเพื่อให้มันคงอยู่ตราบนานเท่านานนะคะทีนี้มีรายงานการท่องเที่ยวขององค์การบริหารการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนาม ได้ระบุออกมานะคะว่าออสเตรเลียเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมากที่สุดนะคะเมื่อมาเยือนประเทศเวียดนามค่ะโดยใช้จ่ายต่อคนนะคะถึงหนึ่ดอลลาร์นะคะรองลงมาก็คือนักท่องเที่ยวจากรัสเซียตามด้วยนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และอังกฤษอันดับหกก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นนะคะอันดับ7ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากไต้หวัน สำหรับจีนนะคะเป็นยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเวียดนามเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าการใช้ใจ่ายในเวียดนามน้อยมากค่ะเพียงแค่8 1ดร้อยสิบดดอลลาร์เท่านั้นนะคะแล้วปิดท้ายอันดับสิบก็คือนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและนักท่องเที่ยวจากชาวไทยที่มาเที่ยวเวียดนามแล้วมีการใช้เงินนะคะอยู่ในอันดับที่สิบก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยเฉลี่ยอยู่ที่เจ็ดร้อยสิบห้าดอลลาร์ค่ะเมื่อรวมเฉลีย่ย การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนเวียดนามนะคะก็จะอยู่ที่คนละหนึ่งพันหกสิบห้าดอลลาร์ค่ะก็เราอยู่ที่ราๆ 30, วๆสามหมื่นกว่าบาทชาวออสเตรเลียนอกจากจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมากที่สุดแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของเวียดนามด้วยนะคะ <Mex şu> เพราะว่ามีชาวออสเตรเลียเดินทางมาเยือนเวียดนามเนี่ยปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง4จุห้าเปอร์เซ็นค่ะ และในขณะนี้นะคะเวียดนามก็กำลังอยู่ในเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะจึงทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าไปเวียดนามสูงขึ้นกว่าปีก่อนถึง20เเซนต์ด้วยกันนะคะและเมื่อเดินทางเข้าไปสูงขึ้นนะคะก็จะทำให้รายได้ของภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ กลับมาอย่างการท่องเที่ยวบ้านเรานะคะนายยุทธศักดิ์สุภรสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้บอกว่าจากนโยบายการยกเว้นวีซ่าให้กับหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรปทําให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนี้นะคะก็จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมแผนที่จะนําเสนอต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่นะคะถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยทเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทยแล้วก็มีการหารือในเรื่องของการต่ออายุมาตรการฟรีวีซ่าเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่าจากมาตรการที่ยกเว้นวีซ่าไปก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็มีแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะในปีหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว พิจารณาและคาดว่าจะดำเนินการตามแผนการดาเนินการได้ทันทีนะคะแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้ก็ยังคงแข็งค่าอยู่นะคะทำให้การ ทำให้เกิดผลกระทบนะคะต่อการลงทุนนะคะแล้วก็การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวอย่างในบ้านเรานะคะเพราะว่าผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็ได้สะท้อนปัญหามายังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะว่า มีผลกระทบจากเงินบาทแข็งนะคะซึ่งก็จะต้องไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่าจะมีการดูแลในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรนะคะแต่คาดว่าในช่วง 1-2 ถึงเดือนต่อจากนี้นะคะค่าเงินบาทก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะักแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทําให้ค่าเงินบาทนิ่งขึ้นนะคะและเรื่องที่สาคัญที่สุดก็คือความมีเสถียรภาพของค่าเงิน ทำให้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาสิทธิภาพของค่างเงินเอาไว้เพื่อให้ประโยชน์นะคะกับภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนนี้ก็มีวันหยุดยาวใช่ไหมคะที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาแล้วก็ถัดจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนภรรษาด้วยนะคะ ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ว่าการท่องเที่ยวของคนไทยนี้ก็ไม่ค่อยคึกคักมากน ะ, ะในบ้านเรานะคะส่วนใหญ่ก็เมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นก็จะอุดหนุนให้คนไทยนี้ออกไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นนะคะซึ่งเฉลี่ยที่ผ่านมาก็พบว่าคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเกือบ10บล้านคนต่อปีค่ะ บางคนนะคะเคยบอกดิฉันว่าจะไม่ให้ไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างไรนะคะตั๋วเครื่องบินเนี่ยในประเทศนะคะบางสายการบินบางครั้งนี้นะคะบางช่วงนี้นะคะแพงกว่า ตัวเครื่องบินที่จะไปต่างประเทศใกล้ๆซะอีกนะคะก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเรายัางเหลือวันหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันเฉลิมพระชนพรรษาพระพันปีหลวงนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะดิฉันก็ขอเชิญชวนเลยนะคะสําหรับวันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณผู้ฟังหมดลงแล้วคะ่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ